เรื่องบริขารห้าเรื่องหนึ่งสี่สามสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบเครื่องใช้สอยตอนกลางวันได้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยตั้งใจว่าจะลักตอนกลางคืนท่านสำคัญเครื่องใช้สอยนั้นว่าเป็นเครื่องใช้สอยนั้นจึงได้ลักเครื่องใช้สอยนั้นมาแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตรปาราชิกหรือหนาจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่า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 เราต้องอบัตดปาราชิกหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัดปาราชิกวงเล็บเรื่องที่ห้าสิบสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบเครื่องใช้สอยตอนกลางวันได้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยตั้งใจว่าจะลักตอนกลางคืนท่านสำคัญเครื่องใช้สอยนั้นว่าเป็นเครื่องใช้สอยนั้นแต่ละเครื่องใช้สอยของตนเอง แล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัดปาราชิกแต่ต้องอบัติทุกกฎวงเล็บเรื่องที่ห้าห้า